ศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิบัติขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทํา 6438770 ครับ 0846438770 ครับคนจังหวัดสมุทรสาครหรือมหาชัยเนี่ยท่านผู้ฟังรู้จักชื่อ นิสัยส่วนหนึ่งของท่านถนัดในการก่อสร้างเมื่อท่านวาง 3-4 แต่ว่าตอนเช้าวันนั้นหลวงพ่อรุ่งบอกกับคนงานว่า เมื่อไขกุญแจเปิดประตูกุฏิก็พบ กลับวางราอยู่กลางห้องแสดงว่ามันค้นค้นออกมาแล้วแต่ว่าไม่ แล้วก็อยากที่จะรู้ว่าทําไมเจ้า เมื่อท่านทําพระเครื่องวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่าย เป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองกันภัย บางคนเนี่ยมีพื้นนิสัยห่าน เป็นภาระหนักให้เจ้าหน้าที่สํารวจก็ทงคอยไล่ล่าปราบปราหมเพื่อจะเอาตัวมาลงโทษตามอาญบ้างเนืองแต่การปรารับโจนซึ่งเป็นสิทธิ์ลงก็คงัดบังกับพร้อมนี้ไม่ใช่จากกระทําได้ง่ายๆเพราะว่าเสื้อร้ายเหล่านี้มักจะปักหลักสู้แทนที่จะหนีหัวสุหัวสุลตํารวจสิที่ต้องเสี่ยงชีวิตเสี่ยงไทยเนื่องจากเวลายิงกันลูกปื้นนี้มันไม่เข้าใครออกไครหากพลาดประมาทพาดครั้งเมื่อไร่ก็บาทเจ็บ การที่เสือปล้นโจรรายคนสรรดานชั่วมันก็ยิ่ง ตำรวจล้อมจับล้อมยิงมาหลายครั้งแต่ก็ทํา ก็ปราบบอกว่าทํานองต่อว่าทางไกลๆบอกว่าเอ่อหลวงพ่อครับเวลาหลวงพ่ออ่ะ สองนายตำรวจรับฟังแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะที่ท่านพูด หนังที่เคยเหนียวก็กลายเป็นเปื่อยยุ่ยเจอลูกปืน หลวงพ่อนกนี่นับได้ว่าเป็นพระๆให้ เหตุที่เหมือนกับบีบบังคับให้หลวงพ่อ ของวิชาของตัวกับคนต่างถิ่นที่ผ่านโดยเฉพาะถ้าเป็นพระทุรดงพวกนี้จะต้องหาทางลอง จากพวกกเรียงพวกนี้กเรียงพวกมีจิตใจต่ำช้าไม่สํานึกหวาดก็ คราวนั้นหลวงพ่อนกธรรมโชตินําคณะของท่านมาถึงเขตหมู่บ้านกะเหรี่ยงแห่ง หลังจากพระเเนนั่งประจำทีเรียบร้อยอาหารก็ถูกละมะเลี่ยงมาตั้งทะไว้ อาหารเหลile มีแกงเนื้อผัดกุ้งกับเห็ดกุ้งต้มเข็มแล้วก็เห็ดล่วกจากนั้นก็มี НАHM แปล่าใส่ขันมาทะไว้อาหารที่จัดเรียงมาทะไวพระนี่ได้รับการปรุงมาอย่างดีแล้วก็ดูดีเกินไป คณะพระเน็นได้รับคำกรรมชับจากหลงพ่อนก์มาก่อนแล้วว่าหากหลงพ่ weaknesses หากหลงพ่อไม่อนุญาตให้ฉันห้ามองค์ไอนฉันเป็นอันขัดดังนั้นพระเเน็นพุกรูปก็รอคำสั่งหลงพ่อ เมื่ออğa harn ทั้งหลายถูกนำมาตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลงพ่อนก์ก็สำรวมจิบพิจัยรณา เช่นว่าน้ำดื่มซึ่งดูใสสะอาดนั้นๆส่วน กุ้งต้มเคมก็คือตะปูเข็มนี่เต็มชามเลยสําหรับเห็ดลวกนั้นเป็นเห็ดเมากินเข้าไปก็จะเกิดอาการเมาไป 6-7 วันหลวงพ่อนกเห็นความจริงอย่างนั้นก็สํารวมจิตยึดเอาคุณพระ มันกลายสภาพเป็นของที่ๆเข้ามา หลังจากฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้เทศพระอุปัชานกธรรมโชติครับ